ดับต่อไปเราจะการฟังธรรมเป็นเรื่องการเข้าใจในอนธรรมของพูดเจ้าที่แสดงว้ดีแล้วนั้นพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักประดัิธรรมด้วยเพื่อกระทาในใจแล้วแสดงออกทางกายทางวิญญา์ทางใจทางกายนี้วิญญา์มักจะให้นั่งผัสสมาธิ เพื่อว่าเป็นการสำรวมกายโดยใช้หลักที่ว่าอำนาจฝ่ายสูงคมฝ่ายตำระหว่างขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนี่เป็นท่ามาตรฐานแต่ใครทำไม่ได้นั้นก็ยกไว้แต่เรียกว่าแม้เรื่องสำรวมกายนี้ก็เป็นเรื่องต้องฝึกเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะ ถนัดในการนั่งสมาธิแค่ไหนเพียงไร <c oughs> ปรับปรุงท่า น, านั่งซะก่อนก็ดีแต่เพราะบางคนที่มีภามาคมแล้วก็นั่งได้สบายสบายคตสมาทินี้เป็นเรื่องของการทารมขาโดยหลักที่บอกดะว่า ไม่มีความหมายทั้งใจอำนาจใจสูงคมไว้ต่ำคนในโลกนี้ที่ถนัดซ้ายก็มีบ้างแต่ท่วนใหญ่ถนัดขวานั้นเาดูพุธรูปนี้ดูรูปของอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติ ท, ทาแล้วส่วนใหญ่จะนั่งในท่าขัดสมาธิแต่ทั่วไปนั้นก็เป็นขัดสมาธิธรรมดาเรียกพลาปัทมาอาาัสนะ เป็นท่าสมาธิแบบดอกบัวเกิดสมาธิชั้นเดียวแต่พุทโธทั้งหลายนั้นจะมีที่ส่วนแพร่หลายอยู่ในนั้นเมืองเหนือเขาเรียกว่าปางน่นจะเป็นบางเชียงแสนเป็นปางที่บางกามีท่านลักษณะถ้านั่งสมาธิเป็นข้าวิเพศเรียกว่าวัชราอาต mm hmm. คือว่าอาจารย์ที่ mm hmm. ฝึกนั่งวมาธิเพชรนี้มินโนบุสิม พระธายโรตอนแรกตอนหลังก็ท่านไปอยู่ทำบับลองเขาเรียกว่ามักจะแนะนําให้ลูกศิษย์หาเรานั่งกระเพียบกันรมนานแล้วคันเทฆธรรมนามานานแล้วให้ทดลองถ้าใครสามารถเอาซ้ายขึ้นก่อนแล้วขวาทับเรียกว่าคธรรมนี้ของชั้นคัณธรรมพิเศษเรื่องตกบัวก็ดีอยู่ แต่เพชรต้องมีราคาสูงกว่าตะโบโยเกิดขึ้นในตมในเลนในน้ําแต่ว่ากว่าจะขึ้นมาถึงพื้นน้ํมามันถูกแสงเทิดบานนี่เป็นตะโบชั้นน้อยชั้นใหญ่ขึ้นไปถึงผิวน้ําแล้วเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นคนดามันเนี่ยที่คนดามันนี่มีแยะคนที่เป็นพาิชลก็มากพิชลก็ ข, ขึ้นมา สูงขึ้นเป็นสาธุชนสูงขึ้นเป็นบัณฑิตชนที่เกินบัณฑิตก็เป็นพวกอริชนนี้เหมือนดอกบวัวพ้นน้ำแล้วเราทั้งหลายนั้นแต่และท่านแต่ละคนก็เหมือนดอกบวัวเราก็พิจารณาตัวเองถ้าเบิ่อแม่นั่นงภาวนานแล้วสายตาเรามากักจะมองไายนอกคนทั่วไปนั้นมักจะเกลนออกชอบรู้ภายนอก แต่ยมื่อจากสักพักจิตใจท่านธรรมะให้เรียนเข้ารู้เท่าตัญหามันฝึกภาวนาทัานติดใจตนในตัวเรานี้ร่างกายทั้งหมดนี้คนเท้ามันว่าตัวฉันร่างกายของฉันแต่เราลึกว่าเราเป็นผู้ตา่างร่างกายนี้เองซึ่งเริ่มต้นก็เป็นการเข้าใจผิดแล้วพุทธเจ้าแสดงว่าเราทั้งหลายท่านเองก็ดี มาด้วยจิตเป็นนักทันเอกเดินทางมาไหลพบหลายชาติเต็มทีแล้วที่พระยาแสดงไว้เพียงแค่สิกชาตินี้เป็นชาติที่ยิ่งแล้วเป็นพวกที่บัณฑิตแล้วเป็นอ่าเรียกว่ามีพื้นฐานของพระ ย, ยาแล้วเพียงแต่ว่า มุ่งที่จะเป็นพุทธเจ้ายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าธรรมดาเพราะว่าเป็นพุทธเจ้านี้ต้องสร้างกตุมีมาแก่กล้ามากยิ่งกว่พาพระเจ้าธรรมดาแม้แต่ว่าประวัติของท่านหมู่บนเราตอนแรกที่ท่านภาวนาแก่กล้านะั้นท่านตั้งไว้ทานว่าอยากจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคต แต่เมื่อท่านมียานทัศนนะแล้วท่านเล็งยานรูโอ้ขอจะเป็นพระพุทธเจ้าใดนีแเราต้องโพธัสตว์มุ่ง ม, มั่นบำเพ็ญต้องให้อรอโพธั์อื่นเขาบรรลุธรรมเป็นรายเป็นรายไปก่อนแล้วผู้นี้เป็นโพธสัตน์นี้ก็ไม่ใช่มีไพ่เยอะหรืออ่านางเดียว คำพูดจากพระยกรณ์ว่าข้างในจะมีพระสิยานพระศิริเมตไทนี้ประปุลโลกแต่ขอยาปดนี้แล้วก็ถูกหลอกทิ้งอ่านมาหล า, หลายยุคแล้วเป็นที่อ่านปลอมเสยะอันจริงไม่ต้องพูดแล้วมันจะไ ป, ไปจากแต่คนของเองแต่ว่าเปน็นล้านปีจะบังเกิดทักองค์นึงรุ่นเหล่านี้เวลานี้เขาเรียกศาสนานเริ่มเรียวแล้วคือว่าพุทธเจาา้าพระยกรานานแล้วว่า พุทธานี้ตอนแรกก็ค่อยจเจริญเจริญเจริญไปถึงห้าพันปีแล้วก็ค่อยเติมเติมเติมเมถ้าองพันปีสองร้ 200, ปีเริ่มเติมแล้วถึงห้ามีก็จะหมดแล้วมันเป็นยุคๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปธรรมดาแต่ก่อนนั้นรุ่นปู่ย่ายายเราพ่อแม่นะั้น เขาเรียกว่าเป็นยุคทองอัตังตนาสร้างวัดราวาดมากยิ่งกว่าโรงงานมากยิ่งกว่าบ้านช่องบ้านช่องนั้นสร้างตามชาว ช, ชายโยนอยู่ก็ยังแต่เป็นเรื่องเล็กๆบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ น, น้อยๆแต่ว่าเขาทุนไม่ลงสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างากา ร, รเรียนสร้างวิทยานี้ใตัวโมโหาานเป็นทูนรวมของชาวบ้าน เรียกยุคท้องศาสนาเราะนั้นยุคนั้นคนไม่รวยเท่าไหร่หรอกแต่รวยน้ําใจจะหวานข้าวก็ดีเกี่ยวข้าวก็ดีไม่ต้องจ้างช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าลงแทก็กเกี่ยวข้าวลงแทก็กหวานข้าวสร้างบ้านทั้งกันเมื่อมีความร่วมมือกันแล้วมีวัตถุมาต่างคนต่างมาช่วยกันแล้วเพียงไม่กี่วันต่างคนต่างมาลงแทก็กช่วยกันสร้างบ้าน ไม่ต้องไปจ้่งจัางเสีเวลานานแล้วก็ดูแลกันไปหมู่บ้านไหนใครจากวั้านอื่นก็นดีบ้านเดียวกันก็นดีมาแ ล, มมลแล้วไม่มีพักโรงแ้วไม่มีทำอย่างนี้หรอกก็พักตามบ้านไว้ใจกันแล้วก็อาหารกังกินก็เลี้ยงดูเรียกว่าให้ความตะดวกแต่อนุกะแม่เด็กในบ้านไม่ใช่ญาติเหมือนญาติ ไปเล่นบ้านไหนกินบ้านไหนก็ได้นอนบ้านไหนก็ได้แม่ฝรั่งเขาก็ามีเขาเดินทางไกลเป็นเมืองเป็นเมืองเนี่ยเป็นทวีเป็นประเทศเนี่ยบางทีเขาไม่มีค่า ร, รถชาเดินทางหรอกแต่เขาใช้เอามือยื่นออกไปเวลาไ ป, าไปต้องการไปทางไหนไปอยู่ริมทางเอามือยื่นไปแล้วก็รถผ่านมาเขาว่างอยู่เขาเห็นคนเดินทางขออะไรด้วย เขารับไปเมื่อเขาจะไปทางอื่นก็ลงไว้ข้างหนึง่งแล้วก็ขับเจ้าขวัใจกันไปหรือไปทางเดียวกันถึงปลายทางก็ยิ่งสะดวกขึ้นไม่คิดเงินีนทองหรอกแต่ตอนหลังนี้เรื่องรงแครช่วยเหลือกันมันก็จางๆไปแล้วเป็นการจ้างหมดแล้วจากเครื่องของคันใช้นูใช้ควายก็มาขายเ็นข้ากันในเชน้อย มันต้องใช้เป็นรถแล้วรถไทยด้วยอะไรจากไอ้เรื่องที่ไปเรื่อยๆใช้ก็ขออาศัยไปตามค้นทางอาศัยรถไปช่วยขาวช่วยข่าวแล้วก็เจอไหนไหนก็เขาแยกไปท้าจะไม่มีแล้วอะไรคือคนที่อาศัยรถก็ไปเจอไอ้คนรถเจ้าของรถบางทีที่ถ่ยไม่ดีก็จะมีการเอาเปรียบเป็นเวียนแล้โดยการต่างๆหรือบางที แต่คนไทยเขาขึ้นไปแล้วไม่ลงง่ายเรียกร้องที่ตรงทิศนี้อะไรต่างมันเลยกลายเป็นว่าทิศธรรมขาดลงไปเรื่องของน้ําใจก็เลยขาดจางไปเหมือนกันเรียกว่าถ้าทิศธรรมไปคืนมาโลกาก็ต้องบน่นวายถ้าทิศธรรมคืนมาโลกาก็ร่มเย็นมันุกทิศธรรมไปนอกนั้นเราห้ามไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเกินกําลังเรา เห็นผู้เจ้าบอกว่านานไปนานไปก็สถานเดียวคือว่าคู้ไหนอ ย, ย่างเดียแต่คนรับเถื่อก็อ้างว่างานยะเรื่องธุรกิจเยอะเรื่องของการต้องพักผรไปนิ่งๆไปพักผ่อนที่รีสอร์ทด้านนี้มันเยอะจะไปวัดวาณีมันก็ไม่ลมเย็นพวกอย่างเก่าแล้วทางพระก็เรียก ว, ว่าไปการมุ่งทางด้านตรวจพิธามม้างสอนหนังสือบ้าง ไม่ทำกิอย่างอื่นม้างที่นั่งภานาสงบบางก็มไม่ต้องไปวัดป่ากัน ด, ดงแล้วเรียรบบรรบันไปอาจารย์ฉันดีเราก็หล่อยหลอไปก็เห็นเด่นกันอยู่ว่าคือเรื่องบา ร, รมีนี้มันพูดยากท่านที่แก่กล้าเป็นยันท่านใหญ่นะั้นท่านจะ ก, กระซิบเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าไม่ใช่คนเรามาเกิดชาติเดียวมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วศรัทธามาบทเป็นพระสาคัญขึ้นมาเป็นพระเจ้าก้นไม่ใช่ไงหรอกพุทธเจ้าชั้นใด พวกเรากระฉนั้นละ่ะกว่าพุทธเจ้าเป็นพุทเจ้าแต่ละองค์นั้นสั่งผมมามีมาเป็นรุกิชาติเราเช่นเดียวกันกว่าที่จะมาเป็นชาวพุทธกว่าจะออกบวชหมดทนนั้นมันต้องผ่านมาพัฒนามาหลายชาติเหมือนกันเช่นเดียวพระบวชสมัย น, นี้ที่สามเดือนเราจะน้อยแล้วเดือนหนึงน่งสองอาทิตย์ถ้าเจ็วันก็เหลือมีแล้วเป็นการ ศรัทาในศาสนามันน้อยลงแล้วแล้วเขาอางอันหนึ่งก็ว่าต้องดิบแต่ฟังทำงานตรงกลางก็ในเมื่ออยู่ในวัดในว่าว่านี้กุฏิไม่ต้องเช่าข้าวม่ต้องซื้อผู้คนทำบุญได้ยกไหว้ด้วยปัญหาที่ไหนได้อย่างง่ายๆมาเลแต่ว่าออกไปแล้วจบปริญญาเดนี้ยังแข่งกันกันเข้างานเลยงานดีๆนี้สมัครสิบตาแหนง่งสมัครกำเดนน้ำพันตาแหน่งเอาบสุคน ก็จะได้ตำแหน่งที่ได้นี้่ขแข่งกันตกกระตกอีกเพราะฉนั้นว่าทั้งโลกมันชักจะเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันขแข่งขันกันมากขึ้นทธรรมะยังค่อยชั่วหน้อยเดี๋วอีกละเมื่อมีคามรรมแถักแล้วบางร้ายก็มีการติดตอ่อมีการหาพระใหญ่ฝักฝังอะไนี้มันบางแห่งไม่ระวังแล้วมันก็จะใกล้ทั้งโลกเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้น ลงความว่าเราไม่ต้องว่าเราเพียงสังเกตดูว่าอ๋อโลกเหล่านี้มันเป็นไปยอย่างพุทธเจ้าทรงแสดงว่านับวรนไปพวกมันเลยสองห้าร้อยแล้วมันเดินขึ้นมาพอแรงแล้วก็ถึงข่าวเดินลงบ้างแล้วเดินลงสุดท้ายแล้วถึงขนาดว่ามองกันเหมือนจะเป็นผักเป็นปลาแล้วไม่มีการปฏิเนริกันแล้วไม่มีการเบียดเบียนทุกรูปแบบจนกทั่งเห็นฆ่ากันแย่ เมื่อตายกันมามากพอแล้วโรกนี้ชัดเจนว่างๆแล้วก็เลยจะมีที่ทำสักทีหนึ่งก็ค่อยขึ้นมาอีกก็มีขึ้นร้อง้งล่ะว่าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดอีกแต่พระองค์นั้นมันต้องหมดฐนานเดิมซะก่อนพุทธานด้วยกันนี่แหะแต่ว่าเป็นเป็นยุกยุของเรานี่ยเขาเรียกว่าพัฒนกับมีห้าพระองค์พระกุศลทันโทผ่านไปแล้วพระโกนาคมผ่านไปแล้วแล้วก็ พระกัจจปโภกนาคมโกนโกนแล้วก็ของเรานี้พระสมณคตรมถัดไปเป็นพระเทยอะไยันนยไม่ใจกัปตันโทโกนาคมกัจจปโภสมณคตรมสี่องค์ของเรานี้ยังถือว่ายังมีพัสกาของเราอยู่พัสกานั้นไม่ใช่เป็นรูปกายแต่เป็นรูปธรรมที่ท่านมบรรลุเบาธรรมแล้วท่านฝากมาทำไว้ในโวกนี้ท่านบอกผู้ใดเห็นธรรม นั่นเห็นเราถาคตนี่เป็นเรื่องที่ว่าแสดงว่าพระพุทธเจ้าจริงนั้นเป็นนามธรรมาร่างกายก็มีประตูมีออกบวชพออนวดแล้วก็มีดวงชะลาและก่อนนิพพานเป็นเรื่องรูปกายเช่นเดียวคนธรรมาทั่วไปเกิดกายเจ็บตายพรุทธเจ้ากำชับว่าเราทั้งหลายล้วนดา มีการแก่กันเจ็บกันตายไปที่ต่างแล้วให้ใช้ประโยชน์จากชีวิตนี้ให้มันคุ้มกันโดยเฉพาะให้เห็นว่าร่างกายเหล่านี้ถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าทำแล้วนี่สองอย่างว่าคนถามมันก็โมาหตัวตนมากก็เป็นเรื่องส่วนตัวดีไม่ดีเห็นแก่ตัว เอาเปียบไปเป็นเขาในวุณหานี้สอนให้พยายามเห็นแก่ผู้อื่นบ้างพยายามลดการเห็นกตัวลงเพราะนั้นผู้หนานโดยรวมนี้จึงเป็นเรื่องศานขขาของความเดชทละศาสนะทัพเข้าของเงินทองก็เป็นทานแได้ละมากน้อยแค่ไหนจากเรื่องของทานธรรมดาให้กันโดยชอบพอถัดไปก็สูงกว่า ไปให้สังฆทานให้แก่คณะแล้วในวงภายในก็เรียกให้แก่คณะสงฆ์ภายนอกให้แก่สังคมเรื่องของโรงพยาบาลก็ดีภาคกระชาติก็ดีสันหนึ่งเด็กกำพร้าก็ดีนันดูแลคนพิการก็ดีเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการทำกับรบัฐบาลต่างๆแม้จะนอกคณะสงฆ์ก็ถือว่าเป็นพวกสังฆทานทำกันส่วนรวม โดยไม่วุ่งไม้คล้ายๆโดยตรงก็อนสูงก็ต้องสูงกว่าให้ทานธรรมดาถัดไปก็เป็นเรื่องของการเจต น, นารมทานหรือเรียกวิหารทานผู้ที่เราเข้าวัชวาว้านนี้ปัจไหนก็ลังเสือเราไปอาศัยของเก่าของผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นท ย, ยกศิกา ร, รุ่นเก่า บอกแต่บอกสถาปิกาใช้จะประสงค์นเก่าซื้อกันมาเป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีวัดๆๆว่าวันเราเนี้็แสดงว่าผู้ที่เขาสร้างไว้แล้วนั้นเขารับประันไปแล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าของเขายังมีอยู่เช่นพระฤาษีธานนี้อดีตรัตนเจ้าคุพ่อุงครามคิดเห็นว่า มีการรับลาข้าวฟันกันในแถวทุ่งบังเขนนี้อยากทำกุศลเป็นการทําบุญเพื่อว่าให้บาบจะได้จะมีส่วนบุญมีการเสริมให้พลังบุญของเราช่วยคุ้มครองให้พลังบาปมันรบกวนเราน้อยหน่อยเึงประกาศสร้างวัดอา้าชาวบ้านถวายที่ดินสร้างวัดบ้างผู้คนบริยากมาซื้อที่เพิ่มเดิมบ้างแล้วก็ช่วยกันสร้าง เป็นโหสถเป็นวินหารเ ป, าเป็นกัลยาเป็นกุฏิแล้วก็เป็นที่ผูกต้นโพมีเจ้น า, า น, นุ่มเริญะไต่างเหล่านี้เที่ยวนี้ผู้ที่บริยยาเหล่านั้นรู้เตาขันไปหมดแล้วแม้คณะผู้ก่อการสร้างวัดนี้ก็ตามเราไม่สามารถเจอแล้วหมดต้นแล้วแต่มาอยู่ในเจดีย์ของวัดปฏิมาธาตุอยู่ในวิหารรอ บ, รบ โบดบั่งไปหารไปขออนุชนมั่งหรือแต่กระดูกที่เขาต่ายไว้เป็นช่องๆมีชื่ออย่าลึกไว้ให้เห็นว่าวัด น, นี้สถานที่นี้จจดีนี้ได้มีการเริ่มนี้สร้างโดยคณะพัฐบาลยุคนั้นไม่ญาติโอมคนไหนร่วมมือด้วยก็บางที่่วงรับแล้วอธิบายก็รุ่นเราก็ทำเราในกันทาให้ทาอะไรไว้มันก็มีอะไรไว้ เขาทําอะไรไว้เขามีรู้สอนเขาไว้ทอนภายนอกมันก็เป็นเรื่องของรุ่นหลังจะได้เห็นแตรน่รุ่นก่อนนั้นคนไหนฉลาดนอกจากหานทับเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงกระโโภตแล้วยังทำบุญรุ่นสนน้องใหญ่ในวัดวิหารทานนี้เพื่อวิหารทานหรือเสนาทานมันอยู่ถาววันดันไปร่างกายสั้งขาดรุ่นรับไป็จริงวุญสอนยังงอกงามให้เจ้าตัวยังได้ประโยชน์จากวิหารทานนั้นต่อนเนื่อง ม่ไง่เสียง่ายงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นได้ว่าวัดโบราณของเก่านี้เขาสร้างแบบวเก่านี้มันทนทานวัตถิศาสตร์ประมาณทักรุ้หลงจ็ดิบปีแล้วกุฏิวิหารเก่า ก, ก, ก็ยังแข็งแรงดีเขาสร้างมาไว้ก่อนนั้นไม่เคยมีการโกงไม่เคยมีครอขั้นจึงทับตรงมาตรงมาเขาเรียก ว, ว่าแต่ลหลังก็แข็งแรงเดี๋ยวนี้บางทีกุฏิวิหารสวยๆหรูร เข้าไม่นานต้องสอบไปแล้วเพราะไรคนสร้างก็สร้างให้เสร็จเร็วเร็วคนตัวก็มาไขตัวจริงจังเพราเลยมันเป็นยกที่เรีย ว, ว่ายกไม้ก่อนคนใจเย็นทําอะไรมันก็เรียบร้อยเรียบดูดูดีเดี๋ยวนี้ใจร้อนทําอะไรก็ร้อนร้อนเร็วๆควเคยเห็นกันว่าเรื่องศัสนาอนี้ไม่ว่าจะเป็นญันิโยมกรณีรักบสก็ดี ใครมีธรรมะประจมใจแล้วก็ต้องมีความเย็นในใจแต่ใครไรธรรมะแล้วถึงจะรวยก็ย่งร้อนใจมีหลายๆหญ่ที่เป็นเศรษฐีใหญ่มีกิจการใหญ่แต่โลกขาดกินเป็นห่วงเรื่องของผลประโยชน์บ้างเรื่องผลงานบ้างเรื่องของอยู่กันี่ินบ้างเศรษฐกิจกบ้างวันเมืองบ้าง คือไม่มีการที่สงบระงับได้หรอกปุงแต่งยิ่งมีอาไว้ครื่อบ ร, บริษันต์เดรันมากกาดีมีภาระรับผิดชอบมากกว่าดีเ็าเรียกว่าบางทีจจะตายแล้วยังห่วงห่วงนั่นอยู่เลยพอจะตายแล้วยังฝากฝังเรื่องสถานที่เรื่องกิจการเรื่องลูกหลานเขาเรีว่าใจมันเป็นโรคหมดอย่างนี้แล้วมันจะไปไหนเนาะ มันก็เลยห่วงห่วงอยู่นั่นนะผมบท่านเคยเล่าว่าท่านเดินทางทุรตรองนี้ไปใจเจดีย์ล่างแห่งหนึ่งปรากฏมีปี่ศาสพี่น้องแสดงตัวเห็นทางเลยถามว่าเอ้าเป็นมาเป็นพีศาสร์สิงอยู่นี่เรื่องอะไรล่ะเพราะพวกฉันเคยทักเจดีย์ทำให้เสร็จไม่ได้็จก็ห่วงห่วงอยู่นี่นะคือว่าไม่รู้ใครจะมาบารมีให้มันดีขึ้นก็เลยกังวลอยู่เลยไปไหนไม่รอด เมื่อกลับบกอกว่าอ้าวแล้วทำดีแค่ไหนก็ยินดีในความดีเราสิจะโมห่วงห่วงทำไมเล่าเออเราบ่ก็เลยสอนว่าให้ปล่อยวางนะเราทําดีมาแล้วคิดถึงความดีก็ดีอยู่แต่มาห่วงห่วงแล้วก็เป็นการยึดปัน้นถือปัน้นหวงปู่เลยให้ถึงให้พรไปจากมีสารก็เลยกลายเป็นเทพเจ้าไปเพราะว่าเขาไม่บนอยู่แล้วแต่ไม่มีใครแนะนําให้เขาปล่อยวางเรื่การปล่อยวางก็เป็นเรื่องพุทธะ ทำทานก็ไว้วางวัตถุประจัยรับทานอิ่มกายให้ทานอิ่ิใจแล้วอาบน้ําก็อ่านกายรักานสินงมันาอานใจสิ้นทัพก็ไปแค่หมดลมสิ้นธรรมรักษานี่ไปถึงหมดิเลสนอดเรื่องเล่นกีฬาก็มีพลังกายน้ากีฬาเก่งกล้าสามารถก็ไปแค่หายติดเสร็จก็หมดหมดแรงแล้วแต่นักภาวนาแล้วไปติกติดยฉยเฉยอยู่เลยเพราะอะไรพลังกายมันมีอายุสั้น พลังใจนี้ไปากายร่างกายเกิดจากการเคลื่อนไหวนักกีฬาต้องเคลื่อนไหวเป็นนักวิ่งก็ดีนักฟุตบอลก็ดีจะเป็นเส้นธีร์ไลก็ต้องเคลื่อนไหวแต่นักพ้อนาต้องสงบมันตรงข้ามกันเรียกว่าเคยทหารดั้นเชือไปบสถพระโสรามนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าทีแรกเขาไม่บอกแต่เรามีการฝึกฟ้านาตุ้กืนตุกเยินสอชั่วโมง ก็ไปนั่งขึ้นอย่วังกว่าแท็กขยับแล้วพอาเลิกแล้วบอกเออเขาแปลกผมเป็นทหารนั้นเจอคือว่าฝึกแรงเลียกไปป่าไปดงขึ้นเขาลงห้วยโหลดโถมโรดน้ำทยานเออพอทนได้ให้มานั่งเฉยๆนี่ผมทาใจไม่ได้เลยทําใจไม่ได้แล้วกายมันก็พลอยปวดไถ่เมื่อยไปด้วยเห็นท่านนั่งกันทนท น, ทนเป็นชั่วโมงชั่วโงนี่ เฮ้ยผมก็เป็นนักมีเรียวมีแรงอยู่นั่งงบมันไปไม่ไม่ไม่ไม่รอดแสดงว่าเขาฝึกปาอย่างนั้นนะฝึกปลาในการเคลื่อนไหวไม่พลังกายเข้มแขนแต่พวกเราฝึกในเรื่องพลังใจมีการนั่งสมรวมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาโดนท้ายตั้งกายตรงสมรวมตาไม่ดูอะไรภายนอกมันก็ไม่ผงดันไม่คิดอะไรภายนอกมันก็ลดการพุ่นไว ไม่พูดไทยนอกก็สงบระงรับพขาจะลืมตาแล้วเป็นผู้อื่นเห็นผู้อื่นแล้วต่างคนต่างดูกันเดี๋ยวก็คุยกันแล้วอย่างเช่นพระนั่งฉันที่โต้เนี่ก็ด้เมื่อท่านฉันหันหน้าเข้ารวมกันเน่กหันหน้าเจอกันตักอาหารเขา้าปานแล้วก็ตาก็รู้กันก็มองก็คุยกันไปแต่ละคำถามก็ร่างเรียงร่างฉันในบาทรายมยมถวายเขาตักใส่บาทแล้วก็ผ่านผ่านผ่านบาน สุดท้ายเอาไว้ในบาทพราะต้องควรแก่กท่านไม่พวกแล้วลงท้าออกนคืนให้ยมอมหมดเลยออกยกให้ยอมแล้วตอนนี้ยอมกั้งแทานก็อบโรกนิดหน่อยอแต่ไม่อบโรกก็ถือว่าเป็นการให้แล้วมอบให้โดยพระพอแล้วเป็นยังีงแล้วนั่งเลี้ยงกันข้างหน้าไม่มีใครใ่ ย, ยมก็รับอาหารงตัวเองไปรักให้ฉันไปก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องพูดกัน แล้วทนถือว่าเวลาฉันนี่เป็นเวลาทํารวจอันหนึ่งท่าฉันไปคุยไปนี่มันรู้เหมือนชาวบ้านแล้วนะั้นเรื่องการปฏิบัตินี้เป็นการฝึกจากคนนมนา น, นี่แหละฝึกให้มีการทํารวมมากขึ้นก็เรียกว่าจากทานก็เป็นศีลเป็นการวำรวจกายวาจาแล้วทานนี้อย่างว่าจากวิหารทานก็ไปอภัยทานไม่่เส้นที่ทองหรอกแต่ใครล่วงเกินแล้ว เราให้อภัยเราไม่ถือโทษเผื่อว่าถือไว้แล้วก็แลกไปอาจจะมีการเขาก็มากันขอเฮาติ ก, กันจากเป็นศัตรูกลายเป็นมิตรกันก็อีกก็ได้เพราะอย่างน้อยถ้ามีการขอโทษกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นเราเราอุตส่าห์ขอโทษเข า, เขายกโทษให้จากศัตรูกลายเป็นมิตร ก, กันก็มาหลายเพราะอะไรเป็นการขอโทษถึงกันแล้วกัน เป็นหลักอภัยทานถึงทำละทำอยู่ทุกทุกปีทุกปีมันเข้าบารรดาหานี้ตั้งแต่เจ้าวานดถึงพรายพะน้อยพร้อมาถึงกันในการหมดแล้วก็ลงท้ายออกบรรดาแล้วพระทั้งหลายจะมีการทำพิธีก่าวบภาวนาถึงกันแล้วกันทั้งโลกนี้เขาไม่ได้บอกให้เราตักเกือนได้เผยเผยตักเตือนเขาเขาไม่พอใจเขาอยากให้ยอเขาอย่างเดียวทั้งพระนี้ เรื่องการยกันยอเนี่ยถือว่าไม่จะเป็นหรอกแต่เห็นว่าเรามีการผิดพลาดรุ่งเกินอะไรไม่ดีขอมีคารุณาช่วยแนะนําให้เราทำด้วยเราจะได้แก้ไขมันดีซะเริ่มต้นกขอมาถึงการถ้าผิดพลาดรุงเกินกันไปถือโทษลงท้ายก็มีการภาวนาไว้เห็นเราผิดพลาดครับเสียหายแล้วก็ให้บอกนะให้เดินนะยินดีแก้ไขซะ นั้นทางพรางนี้อยู่กันเป็นร้อยๆก็ไม่ขัดมีปัญหาอยู่กันกี่สิบก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างไม่ถึงโทษถึงกันนั้นไม่เพียงโทษกันกเพราะว่าอะไรมีการให้ภัยกันเป็นรูปต้นเมตตาเป็นเครื่องผลเครื่องหนุนหลังลงท้ายเขาเรียกให้ธรรมทานอย่างวิจารณ์นี้ก็ลองลงมาหน่อยหนึ่งเขาเรียกเป็นการให้เรียกว่าเป็นเรื่องของให้คันการรู้เรียกว่า ให้การแนะนำเป็นเรื่องวิชาการอาชีพแต่ทางพระนี้ให้เรื่องจิตใจใจญาโยมให้อาหารกายรละให้หารใจก็ทอยทิศทอดสายกันอย่างพุทธเจ้าว่าคนเรานะรู้แต่เรื่องของโลกนี้แต่ไม่เคยรู้เรื่องนอกโลกก็จะพลาดพลั้งขาดประโยชน์เป็นยิ่งใหญ่เพราะว่าโลกนี้มันสั้นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่บานใด มีหรือเป็นเดชยศลงท้ายตายหมดมใครเหลือหรอประมาณร้อยปีเกินก็มีแต่มันน้อยที่ไม่ถึงเท่ามากแล้วถ้าเบือตายแล้วสวนจริงไม่บายเลยหรอกแต่พระเจ้ทาทรงทราบเมื่อสอนธรรมอกแล้วนั่งภาวนามียาท่านแล้วก็รู้ตรงกันวอ๋อที่เรามาเกิดเนี่ยร่างกายทั้งหมดเป็นของพ่อของแม่เขาคือจากพุทธเจาติยายของเราเป็นท่านในโลกนี้ผ่านดินผ่านน้ําลมไฟ การนร้องรายกาเรานี้ละเราเป็นงจิตปัญญาณทนั้นเองเครื่องปญญาถ้าทิ้งร่างเก่าแล้วแต่ยังไม่หมกปัญหาจึงจะหาพบอาชาติมาเกิดมาหาที่เกิดของเราใครมีญาติเป็นคนฝรั่งก็ไปเกิดเในฝรั่งใครญาติเกิดเที่เมืองจีนก็ไปเกิดเมืองจีนใครเป็นญาตเมืนแข่เกิดเมืองแข่เราเป็ญาติไทยก็มาเกิดเมืองไทยนี่มันมีแนวโน้มของการติดตามญาติพี่ที่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อย แต่เรืนี้มันปนเปกันแล้วปนเปเรื่องของแต่ราชชาต่รัตน์สนาแต่รัพพพันปนเปกันไปแล้วมันก็เรียกว่ามัานก็เลยไม่ค่อยเพนีอะไรที่แ น, น่นอนอยู่บ้านดีกันเพนีคนอย่างน้องอย่างเราก็เรื่องอาหารเหมือนกันคนอีสานก็ชอ บ, บปลาการะด๊ะภาคกลางก็ชอบกันเนื้อกัเผ็ดอรจานามชอบผัดเต้มปิ้งอะไรแบบแคร์ ก, ก็ชอบอาหารแบบ เป็นเครื่องเทศข อ, อมศงมันสมเด็จจริง็ชอบเผาเราชอบเขาจีนจื๊อเมื่ตะาไปอย่างนี้แล้มันตามทุ่มสิ น, นเขาเรียบร้อยยังไงนั้นเรื่องของส่วนที่สูงก็เป็นธรรมทานเป็นส่วนที่แจงเรื่องแบบมงคลโทษในท่าว่าโลกนี้เป็นอยู่ชั่วคราวยุ่ยากจึงเป็นพระโรคนี่เรื่องทานก็หลายอย่างเรื่องสินก็หลายขั้นไหลายตอนสินหดิน8ดินสิบสิบเจ็นี้ ทั้งโรคเรามักจะมีตามธรรมเนียมขอสินกันอยู่เสมอเสมอเสมอเนี่ยแต่ขอรั้วตากันนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ไว้คำถานนี้บอกว่าก็เรารู้อยู่แล้วว่าสินมันอยู่ที่ตัวเรารัารกษ า, ากายใจให้ดีรับไปทีเดียวรักษามันนานๆได้ไม่ต้องรับบ่อยขาดบ่อยรับบ่อยขาดบ่อยมันก็ไม่ต่อนเนื่องนี่คือผ้าจะเป็นพื้นนานนก็ใช้ได้นาน แต่ขาดได้ขาดอีกมันก็รู้ไปปะอ่านไม่เคยดีเพราะนั้นพวกฤทธิกรรมฐานฐานี้รับเศิลจากบาอาจารย์ทีเดียวนั่นนะไม่รับบ่อยแล้วแล้วก็อยู่กันนานเลยฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าศีลรักษาด้วยคำถันทาขรานนี้ต้องมีผู้แนะนําอย่างพระ อ, องคีนี้ขนาดไปฝึกในป่านี้อยู่พุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์นี้ เห็นนั่นใครก็เพียนมาฉันอาหารแล้วจิตนึกไบสําเร็จแล้วจึงเราออกไปที่ปา่าเป็นน้ำในไทรวันแต่พระเจ้าล ง, งบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองมันมีกียล้าแล้วจึงบรรลุธรรมด้วยพระองค์เองแล้วสําเร็จเองโดยชอบแล้ ว, รลวทรงคิดว่าทำที่เราบำเพ็ญนี้มันต้อุ้มล้นลิศ ม, มากทีแรกงท้อวันไทายแล้วว่าจะมีคนเข้าใจเท่ากี่คน แต่พอดีมีเัาเก็บเทียบมอนก็เป็นผมพระบรมมาศัสนาในเรื่องเปรียบเทียบก็บหมายถึงพระมิหารว่าพระองค์ก็ยังพัฒนาขึ้นหมายจะเป็นพุะเจ้าได้แล้วถ้าไปชี้แจงให้คนที่มีปัญญากรกัวจะขึ้นถึงฝั่งแล้วจะถูกแจ้งทิศกิจบานเลยจึงทรงเห็นว่าอ้อคนเราก็มีหลายระดับเป็นคนชั้นหูงเรีกว่าปกติตันอยู่หัวพนนะ้ำ พิ่ตอยู่บบวัวที่ปีนปีนน้ํานยยะผูกกลางๆนะโคตำที่อยู่ก็เลนตมก็เรียกว่าพวกนั้นเป็นพระปรมาผู้ปรมานี่เรียกว่าเหมือนกับคนอยู่กับไอต่อมวยตอตมเป็นขึ้นมาถึ ง, ถ, งถึงหวิวน้ำนี่ยากพระเจ้าเลยปล่อยวางไวถ้าเนยยะนี่พอสอนได้ก็สอนพวกประยัต ต, ต่างๆตัวตไปแต่สูงขึ้นมาก็จะสอนเรื่องปฏิบัติแล้วสอนเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องทำงาทิหรือปัญญาแล้วประตูขึ้นต้องวิจานณาเลยฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งบรรลุสิชาพุธเนี่พุทธเจ้า ก, กำชับตอนท้ายว่าทั้งงานทั้งหลายมีความเติมไปที่ใดธรรมดาเราทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนโยธท่านถึงพร้อมด้วยคว า, าไม่มาเถิดไปนั้นว่าฝากประชิมโพจิ์ไว้ ว่าคนทุกคนเกิดมานะั้นอยากเห็นกาตัวอย่างเดียวทำอย่นงอื่นด้วยแม้ป้ายแสดงถึงความขอร้องให้เห็นกับผู้อื่นนี้ก็มีเป็นคำขวัญของเศรษฐีราชบิดาที่โรงพยาบ ใ, ใหญ่ๆนี่เขาจะมีแผ่นตโตด้วยขอให้ถือประโยชน์ตอนที่สองยดทั่วไปที่นนหนึ่งรางตั้งเป็น์จะเกิดขึ้นเองถ้าตรงทำแห่งอาชีพไปให้สด อาชีพอะไรก็ตามเยอะ ท, ทําด้วยความเป็นธรรมแล้วไม่เอาเปรียบใครขายของก็ตรงไปตรงมาปากถุงก็นุงพอกันแล้วปากสัญญาอะไรไว้ก็ทําไปตามที่รับปากไว้สัญญาอะไรก็ให้เป็นไปตามสัญญาเรียกว่าสินค้าอะไรก็ให้คุ้มกับที่เขาลงทุนมาซื้อมาหาไม่ใช่ว่าพอเห็นลูกค้ามากเลยทําที่บัญชักจะหย่อนลงมา ราคาเท่าเดิมหรือสูงกว่าคือถ้าเบอไม่มีการเปรียบกันแล้วต่างคนต่างก็พึ่ ง, า ง, งพาต้องกานต้องการพอสมควรแต่เมื่อบางคนมันอยากได้รายได้เยอะมากแต่ไม่ไม่ให้ของมีคุณภาพแล้วมันก็เลมีการเรียกว่าจะต้องมีเจ้าที่มาดูแลแล้วเพราะคนในโลกนี้ทินทํามันเดิมลงเดิมลงต้องมีกฎหมายมาบังคับแล้วอดีตนั่นสินทาไม่ต้องมางแอ้ เรียก ว, ว่ามีกฎเจนของสังคมพอทุกคนก็อยู่กันไปเพราะไม่ต้องรวยก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องแกงกันหากินก็อยู่ได้แล้วแต่เมืองก็ลมเย็นเป็นถุกไม่มัอนแหววอย่างเราเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันน อ, อกอากาศย่างดีอยูน้อนอย่างทานพอใช้ได้แต่คนไม่ใครอยากอยู่เพราะอะไรกันเงินมันไม่ดีไม่เคยมีงานมีเงินกรุงเทพนี้ที่อยู่ไม่คดีหรอกทั้งเงินนะวะทั้งเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องบุคคลทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหลายมันวุ่นวายแต่คนนิยมมาอยู่กันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเพราะอะไรมันทํา ก, กินคล่องขึ้นนี่เขาเรียกว่าทําอะไรก็ตามเนีถ้าขาดที่ทํำแล้วบ้นขัดทุนไปด้วยถ้าที่นำคืนมาแล้วตัวเองก็ได้ชีวิตโลกนี้ก็ทํายพออยู่ไปโลกหน้าก็มีความเจริญต่อไปแต่บางคนเขาไม่เข้าใจ ไม่สนใจเรื่องของจิตใจคิดว่าเกิดใหญ่ตายนับบนงบวชเรื่องเทวดาถึงก่อนเงินคือชาติก่อนถ้าในโลกนี้ไม่เคยมีเรื่องนี่เขาเล่าถึงคนเกิดทึ่รูชได้อย่าเลยมากก็ดีเด็กที่ได้เด็กก็มีในโลกนี้ที่มีอลักฐานอยู่แล้วก็ที่ตายแล้วถ้ามีใครเชยเจอพิสังเดระเลยใครจะยอมรับ ทนี้ก็มีคนที่ฉลาดเก่งทั้งวิชาการวิชาชีพห้างว่าไม่มีแล้วเรื่องรักสวรไม่มีแลอกผีสางรม่มีแล้ ว, ลวเรื่องของคนเรื่องของพระดอกได้รับแต่รารรักห้างว่าทําบุญได้อะไรไปสวรรค์เรียกว่าไม่ยากให้เขาทําชั่วก็เลยกลกัวตกนรกแต่พู้หนานี้สอนตามความจริงเรียกว่าถวนรกเป็นของตามจริงว่าคุณอยากขึ้นสวรรค์คุณต้องทําความดีขึ้นไปด้ ถ้าคุณทาชั่วถึงไม้จะต้งรบก็ต้องลงรบมันเหมือนกันกฎหมายบ้านเมืองอ่ะคุณนําชั่วเขาจะจับคุณลงโทษไปคุณทําดีเขาก็มีตําแหน่งสูงให้แต่ทั้งโลกนี้คุณจะร่ำหรือคุณมีเงินมากพออิทธิพลมากพอคุณนี้กฎหมายเขาได้แต่คุณนี้คนกรรมไม่ได้หรอกคนกรามีคุณรู้อยู่คุณทําเองทั้งกายใจใจนี้เมื่อทําแล้วมันก็เป็น ฝนที่เข้าไปผิงอยู่ในใจทําดีจิตก็สาอาดข้าวองผองใสทําชั่วก็จิตก็วุ่นวายทศามองคุณนโวนี่เป็นเรื่องของตัวทำเองฉะนั้นลงท้ายเรื่องการจะตายนี้พระเจ้าแสดงกฎแห่งกรรมว่าไม่รัพัดได้าจากกันก็ทําดีต่างคนแต่มีคำดีแล้วก็ยังคิดถึงกันเกิดใหม่เจอคนอีกก็ได้ทำกันต่อไปแต่ว่าถ้าบิเบี้ยในโลกนี้แล้วอยู่ก็เป็นเวนเป็ น, นภัยกัน ตายไปก็เป็นตะตูกันต่อไปอีกเป็นเวรภัยต่อไปอีกเกิดใไปก็เป็นเวรกรรมเหมือนต่อไปอีกเพราะท่านแสดงว่าชีวิตของเรานั้นมันยังมีเรื่องว่าตถุฐานเวีนไหวตายเกิดไม่ใช่ว่าเกิดชาติเดียวจบแต่ว่าจะเจอกันในบ้านเมืองไหนชาติไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นจึงมีปรากฏเสมอเตัวว่าที่ว่าโอเพนสันนิวาสคือ เคยเกี่ยวข้องกันก็ฝ่ายอื่นว่าจะตกลงจะแต่งงานกันนี่ต่ว่ามันยังไงก็ยังไม่ลงเลยมาแจ้คนใหม่ปุ๊บอา้าแต่งงานแล้วแสดงวันเป็นเรื่องแปลกมันบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องเข้ามาเห็นไป็เรื่องเป็นเล่าแสดงว่าเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการมาเกิดในครอบครัว ก, ก็ดีการในผูกพ้องก็ดีการได้ลูกหลานก็ดี มันมีกฎมีเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่เหมือนกันคนไหนเกิดมารวยแสงชั้นก่รชอบตำทานคนไหนเกิดมาจนถ้ากนตนันหีคือกงเขาไว้คนเกิดมาร่างแข็งแร ง, แนงคนงา ม, มยืนยืนเพราะอะไรรักษาถิ่นพุทธธรรมมาดีคนเกิดมาวิคนวิการโครคภัยมากประเทศบ่อยตายเร็วชั้นกนชอบเบียดเบียนเขาได้สินได้ธรรมคนเกิดมาฉลาดทั้งโรคกระเกงธรรมะก็ดีแสดงว่าเขาเคยศึกษา ถ้าความรู้มาแล้วเขาเคยบทเคยเรียนมาแล้วมาชาตินี้นิสัยเก่าก็ติดตามมาคนฝ่ายที่ไม่ดีก็เพราะไอ้ส่วนไม่ดีทําติดตามมามันก็มาผลชานี้มาคดีฐานะไม่ดีร่ำไม่ดีปัญญาไม่ดีคนที่เขามีทําดีมาแล้วมันก็เกิดรุ่มรังดีฐานะดีปัญญาดีถ้ามาสืบต่อในโลกนี้พระเจ้ากําชับว่าท่านทั้งหลายคนยามเดียวตนท่านถึงพร้อมคำให้มาแล้ว ในเรื่องประโยชน์ปัจจุบันก็พยายามมุ่งการศึกษาขยันขันแข็งทำงานก็เอายิงเอาจังแล้วกเก็บของนรานีไ้ไว้เผื่อว่าอนาคตต้องการมีปัใจจัยใช้ก็ยังไม่เดือดร้อนและระางที่มีชื่ออยู่นี้สำคัญที่ไม่ถหายคบพานภผานังผิดคราม่ไดบังนังผลคขชไ่วยบวันโตอยากจนคนดีกันมีความถูกควาินเล นักให้รู้จักคบมิตรหายรู้จักกันธรรมดาแต่พินสหายนี้เขาบอกว่าคนไม่ดีคือปกติเขาคิดไม่ดีแล้วไม่รู้หรอกแต่เขาเริ่มพูดจะไม่ค่อดีแล้วทําก็ไม่ค่อยดีแล้วเป็นคนไม่ชอบเว็บวินัยเป็นคนนิ่งเกิตัวเป็นคนที่เราพูดดีๆก็ยังโกรธได้คนดีนั้นปกติเขาคิดดีเขาแต่ออกก็พูดจางเขาดีทำอะไรเขาดีแนะนําเราอดังก็เป็นทานทีดี แล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีใครจะพูดไงเขาไป่ยรษาผิดพลาดเขาให้อภัยเลยไงว่าถ้าครคบคนไม่ดีเราครอยพูดญหายไปด้วยคพราะวันนี้เราก็มีสินยาดีไปด้ว ย, ยก็เรียกว่าคบคนทุกันเริ่มต้นลงท้ายเราทุกคนนะั้นแม้ทำงานดีก็ทำ ง, น, น, ตง น, นต่างต่างกันไปตำแหน่งต่างกันไปก็ไม่เป็นไรบางคนทาทีตนเองดีแล้วอาจจะได้รับขึ้นไปอีกก็ได้ หรือทําทำไม่ดีอาจจะตกตามไปอีกก็ได้แสดงว่าท่านนงหน้าที่นี้มันก็นีจังเหมือนกันมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีเข้ามีออกทั้คัญคือจิตใจของเรานั้นท่านบอกว่าเรื่องของโรคนี้ก็เพียงชั่วที่รอยู่แต่วันหนึ่งเราจะ่วยนักล้วจะตายทําคันประโยชน์ชาติหน้าเขาใจไหมว่า เราจะนอเอาตายแล้วไปรู้ชาัน้นนานี้มันช้าเกินไปแล้วเรื่องคนเขาเล่าไว้มี่ัางเทวดานี้เขาฟังบังเขาบ้างถ้าเราไม่เจอเองก็ยังสงสัยอยู่แต่โลกนี้คนที่เขาเจอเองเขามีเล่ากันไว้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เร า, หาให้ผลนั้นก็ว่าผู้รู้ขุนเจ้าเป็นต้นพระเจ้าเป็นทั้งหลายพระอาจารย์ทั้งหลายรู้จักพูดตรงกันพูดหนาว่ามีชาติก่อนชั้นนาของรัศวรัน์เราเชื่อตามท่านแล้ว ก็ต้องจเจริญขึ้นพี่ไกล้คนไม่เชื่อเรื่องพี่สังสางไม่เชื่อทางก่อนชนาเป็นเลวไหลเรียกว่าใช้เงินทางที่หลงนานทั้งโลกแต่คนนี้เขาเชื่อแล้วเขามีทุนเกิก็ทํารมุน้าทานบ้างร่างกายรักษาศีลบ้างศึกษาเรื่องภานาแบ่งเวลาไหวพระภาวนาบ้างวันหยุดวันเถ้าทิศไปวัดป่าไป ด, ดงบ้างอะไรเนี้ต่อเมื่อมันแก่กล้าแล้วพอกเกษียณแล้ว ไว้ต้นหาความรู้ไว้กลางหาทรัพย์ไปไปหากุศลเรามีพื้นฐานเคยเข้าวัดเข้าวามาแล้วเคยประเทศทําแล้วพอกรเตียนแล้วเราก็แบ่งเวลาไปวัดมากขึ้นมันก็เตียนเสบียงบุญเอาไว้แต่คนไม่เคยแล้วกรเตียนแล้วต้องหางานหางานเพื่อจะได้เงินมาเพิ่มเติมหางานไม่ได้ก็เทียเ่ยวแต่เทปเปกิล่ามยานหนักไปอีกเวล า, าว่างมันไม่ทําอะไร ก็เลยกลายว่าฝ่ายหนึ่งเขาเดินขึ้นเพราะเข้ามาทางมูลมุสลอีกฝ่ายหนึ่งเดินลงไปทางที่เรียกว่าไปทางทเตี่ยวเตถิเพรนั้นประโยชน์อย่างยิ่งท่านประโยชน์ชั้นอาเธอบอกว่าต้องตัดทาเชื่อกดกรรมเชื่อเรื่องที่พระเจ้าแสดงไว้เรื่องชันก่อนชนั้นหน้าิถังเทวดาถุกทุกข์กดกรรมนี้แล้วก็มีสินธรรมตามที่ า, างไว้สินาสินแต่สิ่งพิเศษนี้ อย่างน้อยมีตินก็ไปหน่อยหนึ่งเป็นการคุ้มโรคนี้ไม่ติดรังโลคหน้าก็ไม่ตกโรกมีตินทำกับอีนันจาระคะเราเกิดมาอาศัยผู้อื่นเป็นว่าต่างระดับรัดาญาติหายครูบอาจารย์ผู้คําจะไต่างนี่เมื่อเราตอบโต้ขึ้นมาแล้วต้องมีการทําประโยชน์ตอบแทนอย่างน้อยก็เรียกว่าช่วยเหลือท่านมีถึงของสำราคุณท่านไปเยี่ยมเย็นท่านช่วยเหลือท่าน เขรียกว่าเป็นจารคะทำประโยชน์ผู้อื่นบ้างหลวงท้ายก็เรียกว่ามีปัญญาเราปัญญาธรรมะกี่นั่นเราผลขวายมานานแล้วปัญญามันปลายปัญญาหาบุญหักกัปตนเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเราเรู้มต้นขานตามจริงเราเริ่มต้นกุ้งโทนแล้วก็รู้จักว่าควรจะทำทานที่ไหนรักษาถินอย่างไรเพราวนาอย่างไรนี้ต้องมีปัญญาประกอบเหมือนกันแต่เริ่มต้นตัต้งทัศน์ลงท้ายทีปัญญา ตงการก็มีทิ้นรมกับจากานี้แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นหลักประกันว่าคงจะไม่พลาดครั้งไม่ล้มตายเปล่าแล้วมีกำไรแล้วถ้าตุดท้ายใครต้องการมากคนทพพานแล้วบัณฑิายก็ต้องบวช ด, ดิไม่บวดก็เข้าวัดวารภาวนาะทำท่าที่ให้แก่ขึ้าเจริญปัญญาให้หลกรู้ตามความจริงเรื่อปรัชนาเกิดขึ้น ก็จะปล่อยวางปล่อยวางเรื่องของเรืองท้องให้มันไม่ยึดมั่นถึงมั่นนักปล่อยวางเรื่องครอบครัวลูกหลาน ย, ยันมิตรไม่ยึดมั่นมั่นนักปล่อยวางเรื่องงานเรื่องเงินปล่อยวางตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าไม่ปล่อยวางคือเรื่องมูุสลพุทธเจ้าคำทับว่าให้เราจงทันโส ด, ดในส่วนที่เป็นผู้ป่วยใจแต่ถ้าเป็นมูลสนทําแล้วเป็นมูลสนแล้วอยากทันโล ด, ด คือว่ายังไม่เต็มกิเลสแล้วอย่าถ้อยความเพียรความเพียรในการที่จะพักกิเลสนี่ให้มีความมุ่งมั่นเป็นหันทะพอใจปริญญแข็งใจทํำกิตตั้งใจทําแล้วก็รู้ษาเข้าใจทําอย่างนี้แล้วอย่าตั้นโดดในกุรอธรรมตั้นโดดในข้าของอัน้องนั้นเมื่อเรามีพอแล้วเราก็หวังปล่อยวงางซะบ้างแต่กุรอนเรายังไม่เต็มตดับใดเต็มให้เข้า่าหมดกิเลสเขาเห็นทีพผ่านหนึ่ง เ, เต็ม ยังไม่เต็มตามใจต้องผลขวายกันไปนั่นการที่ได้ฟังธรรมะแต่ครั้งคราวนี้เพื่อว่าอย่างน้อยได้ไง่ายคิดตัดินใจว่าโลกนี้เป็นอยู่ชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นของอาศัยชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแต่ ย, ยืนยาวคิจิตของเราจิตเหล่านี้พระเจ้าคนดีพระเจ้าคนดีพรยังคน ด, ดีบอกจิตเปนักเดินนเองเดินอางชาติก่อนมาชาตินี้แล้ว ยังเดินทางต่อไปชนะเอกซึ่งจบแล้วพระเจ้ากระชับว่าทุกอื่นยิ่งความสงบไม่มีพระกเด่นเตรียมนาขังสงกบกายไม่ทําบาปสงกบกายเรียกว่าสํารงกายไม่ผู้ร้ายระวัตาไม่พูดร้ายพูดจาดีๆพูดจาน้อยลงสงกบการได้เบียนได้ผินทามาพวกบ่ม ภาษศีลทั้งบความผู้มรายทุ่งต้านนลบในวันก็เป็นธรรมทีทั้งบความหลงก็เป็นในปัญญาตุณย่อขึ้นได้เป็นสงบจากเรื่องของการยิบันถึงมันไหลเป็นวิมุติเป็นหมดที่เหลือในนิพานนี้เป็นเรื่องสรุปได้ว่าเรื่องของโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวที่ยาวคือกับโรคแล้วก็โรกีทัพเป็นของสายพิชโยคราว หลายอย่างคืออไอซัพยบแต่นั้นใครมีใไทรัพย์แล้วถือเป็นทรับประเสริดติดตามเราไปถึงชาตินาได้เพราะฉนั้นเราทั้งหลายเข้าใจแล้วเราก็ถึงเวลาที่พอสมควรแล้วตามที่กําหนดว่าจะแสดงธรรมถึงบ่ายโมงก็ได้เวลาสมควรแล้วพอหวังว่าคงจะทําให้เราได้ไง่ายเข้มใสใจบ้างพอสมควร เพียงเป็นงไผ่หรือไม่เป็นเราทก็ป่อยคืนวาต่อไปนี้ก็ตั้งใจที่จะเรียกแผ่ไม่ตาอีกทีหนึง่งคือว่าแผ่ไม่ตายตอนแรกนี่เข้าใจว่าพวกเราคงยาพอได้อีกตัวหนึ่งหลังจากเม่ตาแล้วแผ่กุศลแล้วคุณท่านจิตนี้ไม่ค่อยมีใครนำแต่มานในนำลูกติษมาหลายรุ่นแล้วคือเมื่อเราให้เขาแล้วแผ่ไม่ตายเขาแล้วแผ่กุศลเขาแล้วเราเองก็ยังเป็นชนอยู่ ยังต้องการความถูกหรือความบุญผลอยู่ที่ต้องที่ฐานจิตเพื่อเรบบาเหมือนกันต่อไปนี้ก็รองแผ่เมตตาเป็นกุศลที่เราเคยทำพร้อมๆกันเลยก็ได้ภาว่าตามเพื่อวาจาพ้องเมียงกันสัพเมสัตตาสัทธาโหนโตอเวราสุขชีวิโนขอให้ตัด ท, ทั้งหลาย ย่านได้มีเวณไก่กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยูเ่ เ, เป็นสุขทุกเมื่อเทินกระตังปุญญ า, า, ญญาพลังไม่หังจับเพภาคีพ า, คพาวันตุเตพตเตอยตัดทั้งหลายาจงได้ถวยพบนบนที่เจ้าได้บำเพน ด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถินอันนี้ที่ฐานจิตต่อไปพุทธปูชามหาเตชะวันโตขอเดชะการบูชาพูะทธเจ้าจงเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชารูปภาพอันยิ่งใหญ่ธรรมปูชามหาปัญโยม ขอเดชะการบูชาพระธรรมจงเป็นเหตุนำมาซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆาบูชามหาโพคาวะโหขอเดชะการบูชาพระสงฆ์จงเิ็นเหตุนรมาซึ่งภพสาตุสมบัติอันยิ่งใหญ่ ติธิชัยโยติธิล า, ลาโภติธิถูกโขข้าวันตุเมข อ, อยข้าพเจ้ า, ออ า, จาสำเร็จซึ่งชัยชนะชนะลาภ า, า, าสุขะโตโตลอดไปเถิดที่ฐานจิตนที่บานนี้หน่อยว่ารับยาวิ เ, เจ้าแล้วทำตามอาวราชานแล้วเราจะมีเดช เดชานุภาพเรียกว่าเป็นเรื่องรบคนทั้งหลายอย่างหนึ่งทั้งคันคือเรามีเดชคือมีพลังควบคุมกิเลสตัณหาได้ดีขึ้นที่สองชาวพธรรมเกิดปัญญายิ่งใหญ่นั้นปัญญาให้กินเรผ่านมาแล้วเป็นปัญญารอบรู้กองทังขานเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นความที่จะมุ่งมัน่นเห็นอนนันิจจัของตานี้ดวงตาเห็นธรรมนี้เป็นปัญญายิ่งใหญ่ ถ่ดไปพระทัพ์สมบัตินั้นภายนอ ก, กเรียกโลภีทัพ์ไปไข่บดลมไอทัพนี้ไปถึงหมดกิเลสอ่าทัพที่ใหญ่ไหมเขาเป็นทัพที่เป็นทางด้านไยทัพก็ไปไกลกว่าหรือถึงเทวีนี้ชนะคนหรือเือนแสนไม่แม้นชนะตัวเองนั่นการชนะตัวเนี่คือยักษ์เกเรเจ้าของเป็นการชนะทางศาสนาราผ้าว่ากันคนทำนาก็าต้องการแก้ไขเงินทองเข้าของราผ้าปุนาเขาเรียกว่า อโลคยาปนรพ า, าความไม่มีโรคเป็นดันม้มยิ่งไม่มีโรคกายก็เป็นราบที่เดียวาหาได้ยากไม่เป็นโรคใจด้วยยิ่งหาได้ยากมากที่อีกเรียกว่าเป็นราบยิ่งก็คือเป็นการไม่มีโรคถัดมาสุกตโตโรคนี้เราก็มีคําส่งการที่เห็นกันรู้ว่ามีฐานะมีความดีงามแต่ว่าโรคหน้านี้มีสุกโตไปถึงชั้นน่าก็หวังได้ว่ามุ่งสูธเรมนี้ โล่งนี้ทำให้ยันเป็นตกโลงนาก็มีความุกเรื่อยไปสุดท้ายนี้ก็ด้วยอานาจของุนรัตเดะตายที่สมนด็จทนั้นจงไว้เราใจมีตัวเชื่รานั้นคนจากทุกโศกโรกภัยอันตรายนับประการประสบความสุขําลังได้อายุวันนะถูกกาพะละพร้อมตั้งปาริานัทานิัฒนวัดรั่งนั้นใดให้สาเร็จผลดวยดีต่อการทุกท่านทุกคนเดิมสาธุเอวังคนี้ก่อน